วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมการอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้มีคุณมีประโยชน์มากเพราะเราจะได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนและเราจะได้เอาเรื่องที่เราไม่รู้นี้ มาทำประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่จิตใจของพวกเราใ น, นที่พวกเราไม่รู้ว่ามีคนมีประโยชน์และเป็นสิ่งที่หายากมากมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือหนึ่ง การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ยากมากนา น, นานจะได้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง 2. การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากมาก 3. การดำรงชีพยอยู่ในแต่ละวัน ก็เป็นสิ่งที่ยากและสี่การได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากการที่มีสิ่งที่ยากทั้งสี่ประการนี้จะทำให้เราสร้างหรือผลิตสิ่งที่ยาก และสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อชีวิตของพวกเราก็คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้กันหรืออาจจะรู้แต่อาจจะไม่ทราบซึ้งถึงความยาก และคุณค่าอันมหาศาลของสิ่งที่พวกเราได้มีกันคือเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนของมนุษย์กับจำนวนของสัตว์เดรัจฉานมนุษย์นี้มีจำนวนน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานมาก มนุษย์จึงผลิตมนุษย์ออกมาในแต่ละปีนี้ได้น้อยมากถ้าเปรียบกับปริมาณของสัตว์เดราชานสัตว์เดราชานมีลูกที่เป็นฝูงพวกมดมแมลงพวกปลาพวกสัตว์อะไรต่างๆเขามีการทีเป็นฝูงแล้วมีการในระยะอันสั้นไม่กี่เดือน แต่มนุษย์นี่คนหนึ่งก็อาจจะมีได้เพียงไม่กี่คนปริมาณของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของสัตว์เดรัจฉานที่มีอยู่ในโลกนี้จึงมีจำนวนต่างกันมากดังนั้นผู้ที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงต้องมาเข้าคิวกันยาวเหมือนกับที่เรา เวลาจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีคนไปกันมากๆแต่มีที่รองรับคนไว้ไม่มากคนก็ต้องยืนรอเข้าคิวกันกว่าจะเข้าไปในสถานที่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอันยาวนานนี่คือการเปรียบเทียบเรื่องของการมาเกิด ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยากกว่าการได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน 2. อสอ ง, สองการเกิดของพระพุทธศาสนาการเกิดของพระพุทธเจ้าก็เป็นของที่ยากมากนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาการสักครั้งหนึ่ง พราะผู้ที่จะมาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้านี่ต้องบำเพ็ญบุญบารมีอย่างมากมายเป็นเวลาอันยาวนานเป็นเวลาเป็นกับเป็นกันซึ่งเราไม่สามารถที่จะประมาณเขียนได้ด้วยตัวเลขว่าหนึ่งกับนั้นเป็นระยะเวลายาวนานขนาดไหน จะคราวนี้พวกเราก็ถือว่ามีวาสนามีโชคที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์นี่คือของยากที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าเปรียบเทียบกับความยากก็เปรียบเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ มีรางวัลอยู่รางวัลเดียวรางวัลที่หนึ่งแต่มีคนซื้อเป็นจำนวนล้านคนแั้นโอกาสที่คนใดคนหนึ่งจะได้ถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งยึงเป็นของยากมากไม่มีใครคิดว่าตนเองจะถูกกันเองแต่ซื้อไวเผื่อมีโชคมีวาสนาเท่านั้น พวกเราก็เช่นเดียวกันการเกิดของพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับเราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งแล้วแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งที่สองและลอตเตอรี่รางวัลที่สามที่พวกเราได้ถูกกันก็คือการดำรงชีวิตการยังมีชีวิตอยู่ เพราะการจะมีชีวิตยอยู่ในแต่ละวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายบางคนเกิดมาได้ไม่กี่นาทีก็เสียชีวิตไปบางคนก็อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็เสียชีวิตไปบางคนก็ไม่กี่วันบางคนก็ไม่กี่สัปดาห์บางคนก็ไม่กี่เดือนบางคนก็ไม่กี่ปี ดชีวิตของเราแต่ละคนนี้มีโอกาสที่จะดับไปได้อย่างรวดเร็วและกระทนหันอย่างไม่คาดฝันเพราะมีเหตุที่จะทำให้ชีวิตนี้ดับไปหลากหลายด้วยกันภัยต่างๆเช่นภัยทางธรรมชาติ อุทกภัยวาตภัยอักขีภัยอุบัติภัยการเดินทางด้วยรถยนต์เครื่องบินหรือเรือก็มักจะมีอุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลานอกจากนั้นก็ยังมีภัยจากอาชญากรรมนอกจากอาชญากรรมก็ยังมีภัยจาก โรคระบาดต่างๆดังนั้นภัยที่จะมาทำลายชีวิตของพวกเรานี้จึงมีมากและไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของพวกเราแต่ละคนนี้จะอยู่ไปกันได้กันกี่ปีกันน้อยคนที่จะมีอายุยืนยาวนานถึงร้อยปีดังนั้น การที่เรายังมีชีวิตยอยู่จึงถือว่าเป็นการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเช่นเดียวกันและการได้สิ่งที่ยากอีกข้อหนึ่งที่เหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครั้งที่สี่ก็คือการได้มีโอกาสมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน เพราะว่าก็มีอุปสรรคที่จะทำให้ไม่สามารถมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันได้มีทั้งภารกิจหน้าที่การงานมีทั้งบุคคลที่คอยที่เราจะต้องคอยดูแลรับผิดชอบมีทั้งกิเลสตัณหาความอยาก ที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเป็นอุปสรรคที่จะคอยขัดขวางไม่ให้เราได้เข้ามาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันได้มากอย่างวันนี้มีใครบ้างที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก ที่เพิ่งมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติทำกันเราไม่รู้ว่าการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติทำกันนี้เป็นเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่เราจึงไม่ไปขึ้นรางวัลกันเราแทนที่จะมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันเรากลับไปทําภารกิจต่างๆถ้าไม่มีภารกิจ เราก็ไปหาความสุขต่างๆทางด้านบันเทิงกัน mm hmm. เช่นวันนี้คนที่ไปตามศูนย์การค้าต่างๆไปตามสถานบันเทิงต่างๆโรงภา พ, พยนตร์ต่างๆนี่น่าจะมีมากกว่าคนที่มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกัน mm hmm. เพราะคนเหล่านี้ จะถูกอุปสรรคคือกามตัณหาหรือกามฉันทะความสนใจความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสัตวะจะมาขัดขวางจะไม่ให้มาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันคนที่มาได้จึงถือว่าเป็นคนที่ได้ของที่ยากเหมือนกับได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นเอง และเมื่อได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลทั้งที่หนึ่งทั้งสี่ครั้งนี้ mm. ก็จะทำให้ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลพิเศษ mm. ที่ยิ่งยากกว่าลอตเตอรี่ทั้งสี่รางวัล น, นี้ mm. ก็คือการที่จะได้บรบรลุมรรคผลนิพพาน mm. ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด mm. ต้องมีสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ ถ้ามีพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เช่นมาเกิดเป็นนกเป็นแมวเป็นปลาเป็นสุนัขเป็นสัตว์เ ล, ลี้ยงฉชนิดต่างๆได้มาอยู่วัดแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากวัดมีสุนัขที่มาอาศัยวัดอยู่กัน มีนกที่มาสายวัดอยู่กันแต่เขาไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาของพวกเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากกว่าได้สถานที่ปลอดภัยจากผู้ที่จะผู้ที่จะมาทำร้าย เขาเรียกว่าได้มาอยู่ในเขตอภัยทานปลอดภัยจากนายพรานที่จะมาคอยอทำลายชีวิตของเขาหรือถ้าเป็นสุนัขจรจัดก็ได้มีที่อยู่อาศัยได้มีอาหารข้าวก้นบาทของพระเขาก็จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเพียงทางร่างกายเท่านั้น แประโยชน์ทางจิตใจนี้เขาจะไม่ได้รับเลยเพราะเขาไม่สามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี่ก็คือได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ก็จะไม่มีใครจะมาสอนบอกให้ศึกษาให้ปฏิบัติแนวทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีศาสดาศาสนาใดในโลกนี้ที่จะสามารถสั่งสอนสัตว์โลกให้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้น ที่จะสามารถสอนให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือนี่คือเรื่องของการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาต่อให้มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถหลุดพ้นได้นอกจากเป็นพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสมัยที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีพระพุทธศาสนาตอนที่เป็นสัมมณโคดมศึกษาได้เพียงระดับขั้นฌานสมาบัติขั้นสมาธิ ดับความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เพราะไม่มีวิปาาัสสนาญาณหรือปัญญาญาณที่จะมาดับความทุกข์ที่เกิดจากเหตุคือตัณหาทั้งสามได้ พาะไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากเหตุคือตัณหาทั้งสามได้แก่กามมรรตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความอยากในกามคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสผล พ, พะภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้ เป็นอริยสตร์ที่ไม่มีใครรู้ความจริงที่ไม่มีใครรู้ที่มีอยู่ในใจของทุกๆคนต้องมีบุคคลอย่างพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเจ่าชายสิท ธ, ธัตถะที่ได้ทรงออกบวชเป็นสมณะโคดมที่มีปัญญาฉลาดแถมคมรอบครอบที่สามารถมองย้อนกลับเข้ามาภายในใจของตนเอง สามารถมองเห็นความทุกข์ของตนที่เกิดจากความอยากและสามารถเห็นเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการดับความอยากดับความทุกข์ภายในใจได้นี่คือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถ ที่จะพบกับพระพุทธศาสนาที่ยังไม่ปรากฏขึ้นมาได้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้เองตรัสรู้พระอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ต้องเป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นบุคคลที่ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างโชคโชนเท่านั้น ถึงจะสามารถที่จะมาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าได้และการตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาเสมอไปเพราะพระพุทธเจ้าบางรูปบางองค์ท่านก็ไม่ปรารถนาะที่จะเผยแผ่คำสอนไม่มีความปรารถนาะที่จะสั่งสอนสัตว์โลก ให้เข้าถึงพระ อ, อริยาาสัจสี่นี้ถ้าท่านไม่สั่งสอนท่านก็จะเป็นพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านจะไม่บอกใครก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาพระพุทธศาสนาจะปรากฏขึ้นมาได้นี้ต้องมีพระธรรมคําสอนคือต้องมีพระพุทธเจ้าตัดสู้ แล้วตัดหลังจากตัดสรูุแล้วก็เอาความรู้ที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นจึงจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาและการที่จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาอยู่เป็นเวลายาวนานได้ก็ต้องมีพระอริยสงสารนอกจากมีพระพุทธมีพระธรรมแล้ว ก็ต้องมีพระสงฆ์ด้วยพระศาสนาจึงจะมีอายุยืนยาวนานได้ถ้ามีเพียงแต่พระพุทธและพระธรรมหอพระพุทธเจ้าลายไปก็จะไม่มีใครที่จะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ได้ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะมีอายุเพียงอายุของพระพุทธเจ้าเท่านั้น นี่คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้มาเกิดไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนที่เป็นแสงสว่างนำทางให้ไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องให้มีพระพุทธจเจ้ามาตัดสรุ้แล้วก็นำความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ส่งกับธรรมมาจึงทำให้มีพระพุทธศาสนายั่งยืนมาจนถึงวันนี้ได้เพราะมีพระพุทธเจ้ามตรตสโรมีการประกาศพระธรรมคำสอนมีการนำาเอาพระธรรมคำสอนไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เป็นผู้ที่นำเอาพระธรรมคำสอนมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเป็นทอดๆดมาจึงมีพระพุทธศาสนาให้พวกเราเป็นที่พึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางให้เราได้ไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่เราได้กัน ได้เป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาและยังได้ส่วนที่สามก็คือได้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์แต่ตายไปในวันนี้หรือเมื่อวานนี้ก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันก็ไม่ใช่เป็นของแน่นอนโอกาสที่จะตายไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยหลายด้านด้วยกันที่จะทำให้ชีวิตนี้สิ้นสุดลงได้ตลอดเวลาดังนั้นการที่มีชีวิตอยู่นี้จึงถือว่าเป็นของยากและเป็นของวิเศษมาก พอเป็นองค์ประกอบที่สามที่จะทำให้เราได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือมรรคผลที่ผ่านเราก็ต้องมีส่วนประกอบส่วนที่สี่ที่เป็นของที่หายากเช่นเดียวกันก็คือมีเวลามีโอกาสได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมกันเพราะถ้า มีพระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่เป็นมนุษยเ์เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาถึงแม้จะได้รางวัลที่หายากถึงสามรางวัลด้วยกันก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะได้รางวัลแท้เลิศที่สุดที่ดีที่สุดได้ก็คือ การได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันต้องมีสิ่งที่หายากส่วนที่สีน่นี้ก็คือต้องมีความมีโอกาสมีเวลาได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทากันเป่าหอมปากหอมคอปีหนึ่งทากันสักครั้งสองครั้งเนื่องในวันเกิด หรือวันสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งก็มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันสักครั้งอย่างนี้ก็จะไม่เพียงพอต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มถ้าปีหนึ่งมาตักสักขันสองขันอีกไม่รู้กี่สิบปีหรือร้อยปีน้ำมันถึงจะเต็มตุ่มได้เพราะน้ำที่ตักใส่ลงไป ขันสองขันมันอาจจะละเหยหายไปหมดแล้วก็ได้เวลาที่กลับมาสักมาเติมใหม่คราวหน้าดังนั้นการที่เราจะได้รางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่หายากที่สุดนอกเหนือจากสิ่งสี่ประการนี้แล้วคือการได้บรรลุมรคนิพพานมรสีผลสีนิพพานหนึ่งคือได้การหลุดพ้น จากการเวียนไหวตายเกิดนะจำเป็นจะต้องมีการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันศึกษาและปฏิบัติกันเหตุเป็นอย่างไรผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรากราบไหวบูชาเป็นสังฆรัตษณะของพวกเรา ท่านปฏิบัติอย่างไรท่านศึกษาอย่างไรท่านศึกษาปฏิบัติอย่างเราหรือเปล่าถ้าท่านศึกษาและปฏิบัติอย่างเราท่านก็คงจะไม่ได้หลุดพ้นอย่างที่ท่านได้หลุดพ้นกันเพราะพวกเราก็ยังไม่ได้หลุดพ้นกันเพราะอะไรทาไมถึงทาให้พวกเราไม่ได้หลุดพ้นกันไม่ได้บรรลุผลกัน เรเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องนั่นเองเราแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นเหมือนกับนักศึกษาที่ไม่ยอมเข้าห้องเรียนเือนานานๆจะเข้าห้องเรียนสักครั้งหนึ่งทำการบ้านสักครั้งหนึ่งโมวแต่ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนอยู่เรื่อยๆหรือไปทำธุรกิจไปทำอะไรต่างๆ เช่นนักศึกษาที่ในมรามอย่างนี้บางทีเขาก็มีธุร ก, กิจการงานที่เขาต้องทำเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้อย่างต่อเนื่องบางทีเขาเรียนแปดปีก็ยังเรียนไม่จบนี่เป็นเพราะว่าเหตุไม่สมบูรณ์ผลก็เลยไม่สมบูรณ์ถ้าเหตุสมบูรณ์ผลมันก็ต้องสมบูรณ์ พระพุทธเหตุของพระพุทธเจ้าเหตุของพระอาหารหันตสาวกนี้สมบูรณ์ท่านศึกษาท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างพระพุทธเจ้าพอทรงออกบวชแล้วก็ไม่มีภารกิจอย่างอื่นแล้วไม่ส่งยุ่งเกี่ยวกับภารกิจในพระราชวังไม่เคยกลับไปในพระราชวังอีกเลยทรงมุ่งมั่นอยู่กับการศึกษาอยู่การปฏิบัติ จนได้บรรลุภายใน6ปีครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ศึกษาและปฏิบัติแล้วก็บรรลุกันภายในชาตินี้บางท่านก้าวเร็วบางท่านก็ช้าขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีความที่มีมากน้อยต่างกันการบรรลุผลจึงมีการบรรลุช้าเร็วต่างกัน แต่ก็บรรลุเหมือนกันพอบรรลุแล้วผลที่ได้บรรลุก็มีคุณค่าเท่ากันเหมือนกับเรียนปริญญาจบปริญญาภายในสามปีสีป่ปีหรือห้าปีปริญญาที่ได้รับก็เป็นปริญญาที่มีคุณค่าเท่ากันไม่มีความแตกต่างไม่ได้มีวงเล็บไว้ว่าจบสามปี หรือจบสี่ปีหรือจบห้าปีจบก็ถือว่าจบเวลาบรรลุซึ่งสุดการเวียนว่ายตายเกิดจะใช้เวลากี่ปีก็ไม่สำคัญพอบรรลุแล้วก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นผลจึงอยู่ที่เหตุเป็นหลักเหตุก็อยู่ความสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ บางส่วนเราก็ทำอะไรไม่ได้บางส่วนเราทำได้ส่วนที่เราไม่ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยไปเช่นการได้มาเกิดพบมาพบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์มันก็เกิดขึ้นมาแล้วจะทำอะไรให้มันมากไปกว่า น, นี้ก็ไม่ได้แล้วแต่ส่วนที่เราจะทำได้ก็มีสองส่วนคกอดการดารงชีพก็เราถ้าเราอยู่ ด้วยความไม่ประมาตโอกาสที่เราจะตายนี้ก็น้อยกว่าของคนที่มีความประมาทคนประมาทก็คือทำอะไรแบบไม่มีสติไม่มีสตังไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนว่าทำไปแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาเช่นคนที่เดิมสุรายาเมาเที่ยวกลางคืน เป็นการพนันอะไรเหล่านี้โอกาสที่จะทำให้ชีวิตเขาเสื่อมหรือหมดไปนี้มันง่ายมันมากกว่าของคนที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอาบายามุกโดยเฉพาะยาเสพติดถ้าไปเสพยาเสพติดแล้วโอกาสที่จะตายนี่มีมากมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลา ผู้ที่เสพยาเสพติดจนเสียชีวิตไปนี่ก็คือความประมาทเล่น่อล่น เ, น, เ, น, เน่หรือการดืนมโซลายามาแล้วก็ไปขับรถอันนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตนี้หมดไปได้หรือการเสพสซลาโซบุรีอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้อายุสั้นลง มีโรคภัยเกิดขึ้นมีโรคอะไรมีโรคอะไรต่างๆตามมาถึงแม้อาจจะไม่ได้ไปขับรถมีอุบัติเหตุแต่คนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรากับคนที่สูบบุหรี่ดื่มสุรานี้อายุจะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็เรื่องของสิ่งที่เราทำกันได้ถ้าเราไม่ประมาทมีความรอบคอบ พยายามหลีกเลี่ยงการกระทาที่จะทำให้สูญเสียชีวิตทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยโอกาสที่เราจะมีชีวิตยืนยาวนานก็จะมีเช่นตัวอย่างแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายการออกบวชนี้ก็เป็นการยืดชีวิตให้อยู่ยืนยาวนานครูบาอาจารย์แต่ละรูปนี้ท่านอยู่กันเก้าสิบกว่าร้อยปีกันทท้งนั้น เพราะท่านอยู่ด้วยความไม่ประมาทการกินการอยู่ของท่านอยู่แบบประหยัดมัธยัติตพอสมเหตุสมผลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงทำให้ร่างกายนี้มีอายุยืนยาวนานมีโรคภัยเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกับคนที่อยู่แบบไม่มีขอบมีเขต ไม่มีเหตุไม่มีผลถ้ากินก็กินแบบพุงกลางไปเลยท้องกลางไปเลยร่างกายก็กลายเป็นตุ่มไปเลยอันนี้เรียกว่ากินแบบประมาทกินแบบไม่มีเหตุไม่มีผลกินด้วยอารมณ์กินด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็จะเกิดโรคภัยต่างๆเบียดเบียน โรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันอันนี้ก็เกิดจากความประมาท ข, ขาดสติปัญญาที่จะดำรงชีวิตให้อยู่ไปยาวนานอันนี้เป็นสิ่งที่เราพอที่จะทำได้เช่นเดียวกับสิ่งที่ยากข้อที่สี่ก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรม อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจัดการได้คือถ้าเรามีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมน้อยเราก็หาเวลาเพิ่มได้เช่นตัดเวลาในกิจกรรมอย่างอื่นไปเช่นถ้าเรายังชอบดูภาพยนตร์ดูละครเราก็ตัดลงไปสักครึ่งหนึ่งเอาเวลาที่ตัดไปนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรม มีภารกิจการงานต่างๆก็ตัดไปสักครึ่งหนึ่งก่อนถ้าตัดไปแล้วไม่ทำให้การดำรงชีพของเราเป็นปัญหาเกอมีรายได้พอเพียงต่อการดูแลรักษาชีวิตของเราเราก็ควรจะตัดภารกิจการงานต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเราก็ควรจะตัดรายจ่ายที่ไม่สำคัญที่ไม่จำเป็นลงไป เช่นรายจ่ายที่ใช้ไปกับของฟุ่มเฟือยต่างๆรายจ่ายที่ใช้กับความบันเทิงต่างๆการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วคราวอันนี้เราก็ควรจะตัดไปเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อง เสียเวลากับการไปหาเงินทองมาใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้เราจะได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเพราะผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นของแท้ของจริงเช่นความสุขก็เป็นความสุขแท้ความสุขจริงเป็นความสุขที่ถาวร การดับทุกข์ก็เป็นการดับทุกข์ที่แท้ที่ถาวรไม่เหมือนกับการหาความสุขหรือดับทุกข์ด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทานไปซื้อข้าวซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นคือไม่มีก็ไม่มีไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ได้ทำให้ชีวิตสั้นลงไป นี่คือรายจ่ายที่เราควรที่จะมาตัดกันเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาศึกษาและมาปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นแทนที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมกันปีละครั้งก็อาจจะเป็นปีละสิบสองครั้งพวกที่ได้ปีละสิบสองครั้งก็อาจจะได้เป็นปีละสี่สิบแปดครั้งคือมาได้ทุกอาทิตย์ บางท่านก็มาได้อาทิตย์ละสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ศึกษามาปฏิบัติเพิ่มจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆพอเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นผลก็จะปรากฏเพิ่มมากขึ้นความสุขใจก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ใจก็จะมีน้อยลงไปก็จะทําให้เห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติธรรม ก็จะทำให้อยากจะศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นไปก็จะทำให้ตัดภารกิจการงานต่างๆการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปและให้หมดไปเลยก็ได้บางท่านก็ถึงกับแปลงเพศจากการเป็นคารวะเข้ามาสู่เป็นสนัมมณะนักบวชเป็นบรรพชิตนักบวช จะบวช ด, ด้วยการห่มเหลืองห่มเค้าวหรือจะบวช ด, ด้วยการอถือศีลแปลก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกันพร้อมที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอยู่ที่เวลาที่จะปฏิบัติว่ามีมากมีน้อยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแล้วปฏิบัติถูกหรือไม่ปฏิบัติไม่ถูก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญจึงยังต้องศึกษาไปควบคู่กับการปฏิบัติคือเราศึกษาแล้วเราก็ไปปฏิบัติแล้วเราก็มาทบทวนดูว่าสิ่งที่เราได้ศึกษากับสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินี่มันสอดคล้องกันหรือไม่ผลมันเกิดขึ้นตามหลักที่จะดีที่สอนมาหรือไม่ถ้าไม่เกิดเราก็ต้องกลับมาฟังใหม่ เพราะเราอาจจะฟังผิดไปแล้วทำไม่ถูกก็ได้ก็ต้องเหมือนฟังอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ในหมายความว่าจะต้องมาฟังกับครูบาอาจารย์โดยตรงเสมอไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อแทนท่านมีหนังสือมีซีดีมีอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องมาถึงที่ เพราะบางครั้งเราต้องไปอยู่ที่ที่สงบสงัดวิเวกเพราะว่าการปฏิบัตินี้จะได้ผลดีก็ต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งต่างๆที่จะรบกวนใจคือรูปเสียงกลิ่นลดปดถัภาการมาฟังเทศฟังธรรมนี้อาจจะต้องออกมาจากสถานที่วิเวกเพื่อที่จะมาที่ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะ ทำลายบรรยากาศที่สงบสงัดไปถ้าไม่ต้องมาได้โดยการมีหนังสืออา่านหรือมีแผ่นซีดีฟังก็ไม่ต้องมาจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะจะได้อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกได้ฟังได้ศึกษาไปและได้ปฏิบัติควบคู่กันไปเพราะถ้าเดินทางออกมามันก็ต้องออกมารับรู้อารมณ์ต่าง รับรู้รูปเสียงกิ่นรสโผฏฐะแล้วก็จะเอาไปคิดเอาไปปรุงก็จะเอาไปกวนใจไม่ให้สงบแต่ถ้าศึกษาหรือฟังเทศน์ฟังธรรมในสถานที่เราปฏิบัติได้มันก็จะไม่ต้องออกมารับรู้อารมณ์ต่างๆจิตที่สงบ ก, ก็จะสงบต่อไปแล้วก็จะเข้าใจธรรมะที่ได้ศึกษาได้อ่านได้นึกซึ้งกว่า ใจิตใจที่ไม่สงบนอกจากว่าหนังสือหรือซีดีที่ฟังไม่สามารถตอบข้อข้องใจได้เท่านั้นถึงจะต้องไปหาครูบาอาจารย์โดยตรงและไปถามหรือไปเล่าเรื่องของการปฏิบัติของเราว่าเป็นอย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรอันนี้ก็จำอย่างนี้ก็จําเป็นจะต้องไปแต่ถ้า ไม่มีปัญหาเจาะจงไม่มีอุปสรรคอะไรเป็นการศึกษาทบทวนเพื่อให้รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก้าวที่จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหาท่านก็ได้ถ้าเราสามารถศึกษาได้จากหนังสือหรือฟังจากซีดีเพื่อการปฏิบัติของเราจะได้ต่อเนื่อง อันนี้สําคัญที่สุดผลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้ามีการปฏิบัติแบบขาดขาดไปผลมันก็จะไม่เกิดเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราย้ายต้นไม้อยู่เรื่อยๆปลูกต้นไม้ได้อาทิตศหนึ่งล้วก็เปลี่ยนไม่ชอบที่ตรงนี้ย้ายไปตรงนู้นอีกอาทิตย์หนึ่งก็เปลี่ยนมันอีกย้ายมันไปอีกเนี ย้ายไปเรื่อยรอยากมันจะไม่มีโอกาสที่จะฝังลึกเน้ลงไปในดินโอกาสที่มันจะดูดซึมน้ำดูดซึมอาหารต่างๆเพื่อมาบะรุงต้นให้มันเจริญเติบโตมันก็จะยากมันจะช้ามันต้องใช้เวลาเฉะั้นการปลูกต้นไม้เราจึงไม่โยกย้ายที่กันปลูกแล้วก็ปลูกเลยะ นอกจากตอนในเบื้องต้นเราอาจจะปลูกไว้ในกระถางก่อนเพราะว่าต้นไม้อาจจะไม่แข็งแรงพอถ้าไปปลูกไว้ในดินเพราะอยู่ห่างไกลจากการดูแลรักษาก็เลยต้องปลูกไว้ในกระถางอยู่ในเรืนอนเพาะชำก่อนเพราะมันสามารถที่จะบำรุงรักษาได้อย่างสะดวกและง่ายพอต้นไม้ใหญ่ัวพอที่จะ จเจริญเติบโตได้ด้วยตนเองแล้วเราค่อยเอาไปปลูกลงในดินต่อไปแล้วนานๆก็แวะไปดูสักครั้งก็ได้บางช่วงถ้าฝนแรงก็แวะไปดูถ้ามันเหี่ยวใบมันเฉาก็เอาน้ำไปรดแต่ถ้าช่วงที่มันไม่แห้งล้างมีฝนตกอยู่เรื่อยๆก็ไม่จําเป็นจะต้องไปดูแลมันมันก็จะเจริญเติบโ ต, ตได้ การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต้องอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกตลอดเวลาผลมันถึงจะไม่สะดุดนีด่คือเรื่องของสิ่งที่ยากที่หายากเหมือนกับการถูกออตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งพวกเหล่านี้ได้ถูกกันถึงสี่ครั้งด้วยกัน แล้วเมื่อเราถูกสี่ครั้งเราก็มีสิทธิที่จะถูกรางวันใหญ่อีกครั้งหนึ่งรางวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เกิดจากการที่เราได้พบกับสิ่งที่หายากสี่ประการนี้คือหนึ่งได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่ ยังไม่ตายและได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้ผลคือมรรคผลนิพพานอย่างคู่บาอาจารย์ที่เรากล่าวไหวบูชากันนี้ท่านก็ได้ทั้งสี่ประการนี้ท่านได้พบกับพระพุทธศาสนาท่านได้เป็นมนุษย์ท่านมีชีวิตอยู่ที่จะใช้กับการศึกษาปฏิบัติ ท่านก็ศึกษาปฏิบัติอย่างเต็มที่มีชีวิตแบบคารวะมีภารกิจของคารวะท่านก็ตัดไปหมดสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละความสุขของคารวะไปแล้วก็มุ่งไปสู่การศึกษาปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเป็นจนํานวนมากเป็นสลาณะนะเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้ ก็เพราะว่าท่านรู้จักใช้สิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนั่นเองพวกเราก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าพวกเราเดินตามแนวทางที่ท่านได้ดำเนินกันเราถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเราก็ต้องเดินตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเราถือพระสงค์เป็นสารณะ เราก็ต้องเดินตามแบบฉบับของท่านท่านทำอย่างไรท่านก็ศึกษาปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวท่านตัดทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพราะการกระทำอย่างอื่นนี้ไม่ได้ผลที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับจิตใจเป็นประโยชน์เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองแต่การศึกษาผลที่จะได้รับจากการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ จะเป็นประโยชน์สุขที่ถาวรที่จะทำให้ดับความทุกข์ได้อย่างถาวรดับการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวร อ, อันนี้เป็นเรื่องของพวกเราแล้วว่าเราจะสามารถทำประโยชน์จากสิ่งที่หายากทั้งสี่ประการนี้ได้มากน้อยเพียงไรเราต้องพยายามสอนใจศึกษาพระธรรมคำสอนให้มาก เพื่อให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาขึ้นมานั่นเองให้เกิดความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติให้มีวิริยะความมุสาความพยายามความภาคเปลี่ยนที่จะศึกษาปฏิบัติให้มีจิตตะคือใจที่จดจ่ออยู่กับการศึกษาปฏิบัติและให้มีวิมังสาคือ ความคิดค่ายควรเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเรื่องปฏิบัติเพียงอย่างเดียวจะไม่คิดไปถึงเรื่องอื่นไม่ไปคิดถึงเรื่องการหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นไก่จะคิดอยู่ว่าวันนี้จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นที่ตรงนี้วันนี้จะอยู่ที่ตรงนี้ศึกษาปฏิบัติตรงนี้ไปเป็นเดือนเป็นปีคิดแต่อย่างนี้อย่างเดียว ถ้าเรามีอิทธิบาทสี่ฉันทะวิรรยะจิตตวิมังสาเราก็จะมีกําลังใจที่จะปฏิบัติการจะมีฉันทะวิรรยะจิตตวิมังสาได้ก็คืออยู่ที่การพยายามศึกษาและปฏิบัตินั่นแหละงั้นถ้าเราไม่ชอบศึกษาปฏิบัติในเบื้องต้นเราก็ต้องบังคับมันบังคับตัวเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติพอได้รับผลแล้วเทนี้ไม่ต้องบังคับแนละ้ว เหมือนกับว่าเวลาไปทํางานใหม่ๆไม่ได้เงินเดือนนี่มันก็ไม่อยากจะไปกันแต่พอได้เงินเดือนมาแล่วได้รับเงินเดือนมาแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับแล้วรู้ว่าถ้าทํางานนี้แล้วจะได้เงินเดือนขนาดนี้ก็จะมีกระจิตกระใจที่จะทําถ้าทําไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้มันก็บางทีก็ท้อแท้เบื่อหน่ายได้ดังนั้นขอให้เราพยายามในเบื้องต้น พยายามผลักดันบังคับให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติเพื่อให้ได้เกิดผลขึ้นมาพอเกิดผลขึ้นมาเพียงเล็กน้อยแม้แต่เพียงเซี่ยววินทีทีเดียวได้พบกับความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติก็จะทำให้เราเกิดอิทธิบาสีขึ้นมาพอมีอิทธิบาสีแล้วก็เหมือนกับจุดไฟติดแล้วพอไฟติดแล้วทีนี้สบายแล้วเพียงแต่ใส่เชือเข้าไปไฟมันก็จะลุกขึ้นไปได้เรื่อย ไฟมันจะติดยากก็ตอนต้นตอนที่เราเหมือนกับสมัยโบราณเขาไม่มีไม้ขีดกันไม่มีที่จุดไฟเขาต้องใช้หินมากระทบกันให้ประเกิดประกายไฟหรือใช้ไม้มาขูดกันให้เกิดความร้อนถึงจะเกิดไฟขึ้นมาได้อั น, นี้ก็เหมือนกันพวกเราตอนนี้ยังไม่มีไฟไฟยังไม่ติดกันเราก็ต้องพยายามพยายามก็ กระทบหินบ่อยๆเรือถูไม้บ่อยๆศึกษาปฏิบัติบ่บอยๆให้มากๆแล้วพอฝ่ายลุกแล้วทีนี้ก็สบายแนละ้วเพียงแต่เติมเชื่อไฟเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะลุกขึ้นไปกองไฟอันใหญ่ตัวได้ต่อไปดังนั้นก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นที่เราจะสามารถที่จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าพระ อรหันตสาวกคูบาจารย์ทั้งหลายท่านก็ได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วหน้าที่ของเราก็คือเราต้องศึกษาและปฏิบัติเท่านั้นผลถึงจะเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาเรื่องที่หายากทั้งสี่ประการนี้คือการได้พบกับพระพุทธศาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มีชีวิตอยู่และได ศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิิศพิจานาและปฏิบัติเพื่อจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาต่อไปอก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยา หาวะเรวะหาปุราปะเรปุเรนติสักรางเอวเมวะอิตูินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปจันโทปนะระโสยถามานิชติ อระโสยทถาสพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีทีขายุโภาวะอะภิวาทานศีริตสานิจังวุทาปจายโนจัตารโรธรมมวะทาติอายุวันโสุขัง พา ล, าลตอนนี้ก็จะถามตอบปัญหากันท่านผู้ใดถ้าอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาที่บนศาลานี้เพื่อจะได้ถามผ่านทางเสียงไมโครโฟน เพื่อผู้ที่อยู่จะได้ยินเสียงไมฉะนนั้นก็จะได้ยินแต่เสียงคำตอบเสียงคำถามจะไม่ได้ยินก็จะไม่ครบอรรถรสถ้าไม่มีใครก็จะให้ถามปัญหาทางบ้านทางอินเทอร์เน็ตที่ถามมาใครจะถามก่อนนยครับฟังอะไรฟังไปแล้วยังไม่เข้าใจ แล้วมีคำถามอย่างอื่นเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ถามได้ถ้าไม่มีก็ถามทางทางอินเทอร์เน็ตไปก่อนนะเดี๋ยวใครมีค่อยถามทีหลังมักจะมีทีหลังเวลาปิดไม้แล้วถึงชอบมาถามเลยนะ <c oughs> เวลาเปิดไม้ไม่ยอมถามเครับต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับ คำถามข้อแรกจากคุณมีนานะครับการที่แม่ซักเสื้อผ้าให้ลูกชายด้วยความยินดีและเต็มใจที่จะทาทั้งทง ท, งที่ลูกชายนั้นโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วภรรยาของลูกชายนั้นไม่ยอมทำให้หนูก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรหนูอยากทราบว่าการกระทํานี้จะเป็นบาปกรรมกับแม่หรือลูกชายคนนั้นไหมคงจะเป็นกรรมกันมา ถ้าก่อนแม่คงจะทําอย่างนี้กับแม่ของตนชาตินี้ก็เลยต้องมาทํากับลูกถ้าลูกปล่อยให้แม่ทําต่อไปลูกก็จะต้องไปอซักให้กับดูของตนอีกมันก็เป็นกรรมเป็นทอดทอดไปทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะทําถ้าไม่อยากให้เป็นกรรมก็อย่าให้ผู้มีพระคุณทําในสิ่งที่เราทําได้ ต่อไปเราจะได้เวลาเราเป็นผู้ใหญ่ลูกเราจะได้ซักเสื้อผ้าให้เราไม่ใช่เราไปซักเสื้อผ้าให้ลูกถ้าเราปล่อยให้พ่อแม่ซักให้เราต่อไปเวลาเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องไปซักให้ลูกมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปคำถามข้อต่อไปจากคุณสมาธิปัญญานะครับดับรูปเสียงกลิ่นรส ปฎปะทำมารมจะเหมือนกับการนั่งสมาธิแล้วรู้แต่ไม่รู้ว่าอะไรหรือไม่คาว่าดับรูปเสียงกลิ่นรสปฎปะนี้ความจริงเราดับเขาไม่ได้เพียงแต่เราปิดทวารรับรู้เขาได้เช่นปิดตาก็จะไม่เห็นภาพไม่เห็นรูปปิดหูก็จะไม่ได้ยินเสียงอันนี้เป็นการปิดทางกายภาพคือทางร่างกาย แต่ใจนี่ยังรับรู้อยู่ในส่วนที่ไม่สามารถปิดได้ถ้าใจเป็นสมาธิในใจก็จะรับรู้แบบอุเบกขาคือสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้เช่นไม่มีรักชังกลัวหรือหลงกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้จะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ ถ้าเป็นสมาธิที่ลึกมากก็จะไม่รับรู้อะไรเลยแม้แต่ร่างกายก็ไม่รับรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลพทาพะที่จะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะไม่รับรู้เลยก็มีสมาธิได้สองลักษณะแบบที่ทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้หรือผู้รู้เป็นอุเบกขาแต่ ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นลถอยู่ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็ไม่รู้สึกลำคาญใจปล่อยให้เจ็บได้ปล่อยให้คันได้ไม่เดือดร้อนได้ยินเสียงก็ไม่เดือดร้อนเสียงจะดังยังไรก็ไม่สนใจอันนี้เรียกว่าจิตเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิเป็นได้สองลักษณะเป็นแบบที่ยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นลดผลทะอยู่ จะเป็นแบบไม่รับรู้เลยปิดหายไปหมดเลยแต่การดับรูปเสียงกีดลอดนี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้รูปเสียงกีดลอดเขาก็มีไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่ศึกษาให้เข้าใจเขาว่าเขาไม่มีอะไรเราไปหลงกับเขาเองเราไปคิดว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่ไปคิดว่าเขาดีเขาเชื่อ เขาหน้ารักหน้าชังก็เลยทําให้เกิดตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกในขณะที่อยากได้ทุกในขณะที่ได้มาแล้วทุกในขณะที่เสียไปทุกตลอดเวลาถ้าไม่เกิดความอยากมันก็จะไม่ทุกข์ได้ยินอะไรเห็นอะไรเห็นแล้วก็ผ่านไปได้ยินแล้วก็ผ่านไปอยู่กับความว่างได้ ผู้ที่จะอยู่กับความว่างได้ก็ต้องมีสมาธิเป็นหลักมีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะอิ่มใจจะพอไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่ก็ยังเผอได้เพราะว่าอำนาจของความหลงนี่มันร้ายแรงทั้งทงที่มีสมาธิพอจากสมาธิมาพอเผลอไม่มีปัญญาคอยควบคุมมันก็จะหลอกให้ไปอยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาจึงต้องใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าอย่าไปอยากความอยากนี้เป็นความทุกข์ทำให้ใจไม่สงบแล้วก็สิ่งที่ได้มาก็จะทาให้ใจทุกข์อีกพอได้มาแล้วก็ต้องเสียไปเวลาได้ก็จะเกิดความผูกพันได้อะไรก็อยากจะให้สิ่งที่เราได้อยู่กับเราไปนานๆพอเขาจากเราไปก็จะเสียอกเสียใจ นี่คือปัญญาที่เราควรจะสอนใจเวลาที่ออกจากสมาธิแล้วถ้าไม่ใช้ปัญญาพอเห็นอะไรได้ยินอะไรมันจะไปอย่างเร็วมันจะรักจะชังจะอยากได้ไม่อยากได้อย่างรวดเร็วฉนั้นจึงต้องเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาเจริญอุเบกขาจเจริญความวางเฉยให้มากๆ ให้มันฝังลึกอยู่ในใจเวลาออกจากสมาธิมาแล้วมันจะได้ไม่หายไปอย่างง่ายง่ายได้แล้วจะมีเวลาพอที่จะเอาปัญญามาสอนใจเพื่อจะต้านตัณหาได้ถ้าไม่มีอุเบกขานี่มันไม่มีเวลาพอพออยากปั๊บมันไปเลยคว้าเลยพอเห็นอะไรอยากได้ปั๊บมันคว้าได้คว้าเลยไม่มีเวลาที่มาฉุกคิดว่ามันเป็นทุกข์นะ ได้ามาแล้วจะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่มันหมดไปอันนี้จะไม่มีเวลาคิดงั้นถ้ามีอุเบกขามากๆเวลาออกมามันจะมีเวลาคิดใจมันจะเย็นจะมันจะไม่หิวกระหายแบบคนอดอยากดโซคือมีอาหารรองท้องแล้วจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้มีเวลาที่จะใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่กินนี้ เป็นยาพิษหรือเปล่าแต่คนที่หิวโซมานี้ไม่มีเวลาคิดเห็นอาหารก็คว้าเข้าปากเลยอันนี้แหละคือลักษณะของคนที่มีสมาธิกับไม่มีสมาธิถึงบอกว่าการมีสมาธิจะสนับสนุนการเจริญปัญญาถ้าไม่มีสมาธิ น, นี่มันไม่เป็นปัญญามันเป็นความคิดแล้วมันเป็นความคิดในช่วงที่มันไม่มีความอยาก แต่เวลามีความอยากมันคิดไม่ได้เลยมันจะเอาอย่างเดียวแล้วก็ไปคว้าเอาแต่ยาพิษมาใส่ตัวเองแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเพราะไม่มีสมาธิกันเราจึงต้องฝึกสมาธิก่อนต้องให้สร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติเพราะสตินี้เป็นเหตุที่จะทำให้มีสมาธินั่นเอง คำสติกับคำสมาธิของเราในภาษาไทยเหล่นี้อาจจะสับสนเพราะในทางโลกนี้เราจะใช้คำว่าสมาธิแทนสติเช่นวันนี้ไม่มีสมาธิในการทำงานเลยแสดงว่าใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการงานเลยมัวแต่ไปวุ่นอยู่กับเรื่องอื่นคิดแต่เรื่องอื่นทำงานก็ทำแบบผิดผดถูกถูกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติตามภาษาภาะ ใจไม่จดจอ่ออยู่กับเรื่องที่เรากำลังทาอยู่ไม่มีกายะกระตาสติแต่ทางภาษาโลกเรากลับใช้คำว่าสติเป็นสมาธิไปคำว่าสมาธิทางธรรมนี่หมายถึงจิตที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาไม่คิดไม่ปรุงแต่งแล้วไม่ทำอะไรแล้วท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิเช่นเราต้องนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมแล้วจิตไปกึกเข้ารวมเป็นสมาธิปั๊บก็หยุดด้ หยุดเดินได้เลยยืนเฉยๆอะไรนิ่งอย่างนี้ทีนีเรียกว่าเป็นสมาธิไม่มีการทำงานทางกายวาจาและใจดังนั้นเวลาพูดเรื่องสติก็ขอให้เราเข้าใจว่าเหมือนกับสมาธิของทางโลกไม่มีสมาธิในการทำงานไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือไม่มีสมาธิในการคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ อันนี้ไม่ใช่ความจริงต้องเรียกว่าสติไม่มีสติในการทำงานไม่มีสติในการคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาทำงานก็เลยทำแบบผิดๆถูกๆคิดก็คิดแล้วก็โปร่งไม่ตกทักทีมันไม่ได้เหตุไม่ได้ผลถ้ามีสติแล้วมันจะได้เหตุได้ผลมันจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้มันจะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้ามีสติ พราะสติจะดึงใจไม่ให้ลอยไปลอยมาให้อยู่กับปัจจุบันใจจะสงบเป็นสมาธิได้ใจต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีตมันจะสงบไม่ได้ไปอนาคตจะสงบไม่ได้เพราะยังมีความคิดอยู่นั่นเองนี่คือเรื่องของอตอบปัญหาที่จำไม่ได้แล้วกลับมาแต่ไหน ครับคำถามข้อต่อไปจากคุณพีทฟูนะครับผมชอบฟังธรรมและปฏิบัติธรรมแต่ผมมีแฟนยังไม่ได้แต่งงานใจหนึ่งก็อยากจะบวชปฏิบัติธรรมละทิ้งทางโลกเพราะไม่อยากกลับมาเกิดอีกอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากปล่อยหรือทิ้งเขาไปเพราะรักเขามากเลยลองห่างกันสักพักก็ห่วงหาอาทรให้เขากลับมามีความรู้สึกสองอย่างนี้ตลอดจนผมไม่รู้ว่า จะดำเนินชีวิตอย่างไรต่อไปอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางครับเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีสมบัติแต่ท่านก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชที่เรียกว่าเทวทูตส ถ้าเราอยากจะออกบวชเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องระลึกถึงเทวทูตสี่บ่อยๆระลึกอยู่มากๆคิดถึงภรรยาก็คิดถึงตอนที่เขาแก่เจ็บตายคิดถึงลูกก็คิดถึงเวลาเขาแก่เจ็บตายคิดถึงร่างกายคิดถึงชีวิตเราก็คิดว่าเราต้องแก่เจ็บตายถ้าคิดอยู่บ่อยๆแล้วมันจะทนอยู่ไม่ได้ พ่ามไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องของความแก่เจ็บตายได้นี่แต่จะเดินเข้ากองทุกข์เข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยๆการได้ออกบวชนี้จะทำให้เราได้เดินห่างไกลจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตา ย, ยทวทูสีนี่เป็นคติเป็นเป็นนิมิต ท, ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะ เล็ดลอดออกจากชีวิตของผู้คองเรือนเพื่อให้เข้าสู่ชีวิตของนักบวชถ้าระลึกถึงเทวทูตสีนี้อยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไปได้แน่ๆคำถามข้อต่อไปจากคุณมดงามนะครับการที่เรารักษาศีลแปดจนชินเป็นปกติแต่ต้องทนอยู่กับผู้ทุศีลเที่ยวกางคืน ดื่มสุรามุสาและรักขโมยของเราซึ่งเราก็ให้อภัยตลอดการที่เรายังรู้สึกอึดอัดไม่อยากคุกคีและรังเกียจการกระทาของเขาไม่อยากอยู่รวมชายคาแต่ติดตรงหน้าที่จะหนีไปอยู่กับผู้มีศีลเสมอกันตัวเองก็เจ็บปวดอยู่ตอนนี้ก็อดทนแสดงว่าเรากลัวตายทั้งที่ไม่ได้ทุกข์ใจกับการป่วยของตนใจหนึ่ง มันก็บอกว่าปฏิบัติต้องมีปัญญาหนีไปเสียตอนนี้เพราะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติแน่นอนจิตมันเชื่ออย่างหลังขอท่านพร ะ, ะอาจารย์เมตตาก็คิดถูกนั่นี่งควรจะต้องไปปรี้ยวเวกไปอยู่ห่างไกลจากเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวมันเป็นอุปสรรค ในการที่จะเจริญปัญญาจเจริญสมาธิจเจริญสติผู้ที่ปรารถนาคุณธรรมที่จะทำให้จิตได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี้จาเป็นจะต้องไปปีกเว่เวกอยู่ตามลาพังแต่อยู่แบบมีเหตุมีผลคือไม่ใช่หมายความว่าพอไปบวชได้ปั๊บก็จะไปปีกเว่เวกอยู่คนเดียวเลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นถ้าปีกเว่เว่ก็คือ ถ้าไปบวชก็ไปบวชกับวัดที่สงบสงัดมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนคอยควบคุมไม่ใช่ว่าพอปิดพอบวชปุ๊บก็ไปปลิดเวกๆอยู่ในป่าคนเดียวโดยที่ไม่มีครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับเวลาที่เราคลอดลูกแล้วเราก็ไปทิ้งไว้อยู่ในป่าคนเดียวเด็กทารกมันจะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างไร ต้องมีผู้ใหญ่เลี้ยงดูให้โตจนกว่าที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก่อนพราบวชหัยก็เป็นเหมือนทางโลกแรกครรภ์ไม่สามารถที่จะอยู่ตามลำพังของตนได้จำเป็นจะต้องมีผู้ดูแลเลี้ยงดูคือบิาดามารดาก็คืออุปชัยยะผู้ใหผ้ผู้ให้กาเนิดในทางในทางบรรประิท ผู้บวชนิ้ให้การบวชนี้เป็นผู้มีหน้าที่สอดส่องดูแลเลี้ยงดูให้ผู้บวชใหม่นี้สามารถทึงตนเองได้ก่อนถึงจะปล่อยให้ไปปีกวเวกได้นั้นจึงมีพระวินัยที่บัญญัติไว้ว่าพระบวชใหม่นี้จะอยู่ปราศจากครูบาจารย์หรืออุปชัยยะไม่ได้ห้าพรรษาด้วยกันต้องมีครูบาาจารย์คอยอบรมสั่งสอนก่อน ให้ได้ห้าพรรษาและแม้แต่ได้ห้าพรรษาแล้วถ้าครูบาอาจารย์ยังเห็นว่ายัางใช้ไม่ได้ก็ยังไม่ปล่อยให้ไปไม่ควรไปเพราะว่ายัางไม่เจริญเติบโตพอถึงแม้ว่ากรอบเวลาจะครบแล้วแต่สติปัญญาความรู้ความสามารถยังไม่พอเพียงต่อการดูแลรักษาตนเองถ้าไปอยู่ตามลําพังก็อาจจะถูก อำนาจของกิเลสตันหามาฉุดลากให้ไปทำอะไรที่เสียหายได้และอาจจะต้องสิกขาลาเพศไปได้ดังนั้นการบอกว่าให้ไปอยู่ที่ห่างไกลที่วิเวชนี้ไม่ได้หมายความว่าไปอยู่ตามลำพังถ้าเราเป็นนักบวชเราต้องมีครูบาอาจารย์แม้แต่เป็นคารวาสก็เช่นกัน การไปอยู่คนเดียวกับการไปอยู่กับครูบาอาจารย์นี้มีประโยชน์ต่างกันมากอยู่กับครูบาอาจารย์นี้จะมีะมีแนวมีทางเดินที่ปลอดภัยที่ถูกต้องถ้าไปอยู่คนเดียวนี้จะไม่มีแนวทางก็จะไปแบบสเปสปะไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนที่ยังไม่ถูกต้องอก็จะเกิดความเสียหายหต่อผู้ปฏิบัติเอง ดังนั้นการที่บอกให้ไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนี้ต้องมีวงเล็บไว้ว่าต้องมีคนคอยคุ้มด้วยพระอาจารย์ครับผมรู้จักพระรุ่นพี่อยู่องค์หนึ่งครับซึ่งอตอนท่านเป็นคารวะท่าน ก, ก็ปฏิบัติได้ดีพอสมควรแต่พอท่านบวชได้สองพรรษาเนี่ยท่านก็ออกไปตั้งสำนักเองสอนเองครับพระอาจารย์อย่างนี้ไม่ถูกนะครับก็บถูกว่าเปล่า嘛 ครับคำถามข้อต่อไปนะครับเรามีกรรมเป็นของของตนมีวิบากกรรมต่างๆมีสิ่งไหนหรือวิธีไหนบ้างที่จะลดบั่นทอนวิบากกรรมลงได้บ้างก็คนที่ไม่ทำกรรมก็มีคนตายคนคนสลบสลายคนนอนหลับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องทำกรรมกันนันั้น ดน้นตต้องมีสติมีปัญญามาคอยกำกับการกระทำของเราให้รู้หยุดทุกขณะเวลาว่าขณะนี้ก็เรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังทำอะไรเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นอย่างไรก็ต้องศึกษาดูว่าการกระทำอย่างไรเรียกว่าบุญการกระทำอย่างไหนเรียกว่าบาปการกระทำอย่างไหนเรียกว่ากุศลอกุศล เนี่ยถึงต้องศึกษาต้องรู้ต้องอยู่กับผู้รู้เวลาอยู่กับผู้รู้เวลาเราทําอะไรเป็นบาปท่านจะเบรกทันทีเวลาทําอะไรที่เป็นบุญท่านจะส่งเสริมทันทีนี่คือเราต้องถ้าไม่อยากจะทํากรรมก็ต้องอต้องอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆไม่พูดไม่คิดไม่เคลื่อนไหวก็มีคนตายเนี่ยที่ ไม่พูดไม่คิดไม่เคลื่อนไหวหรือคนสลับสลดยไปคนนอนหลับไปแต่ถ้าเป็นคนที่ตื่นขึ้นมานี้ต้องมีการกระทำพอเราลืมตาปั๊บนี่เราก็คิดละมองไปขึ้นมาวันที่วันอะไรเวลาเท่าไหร่ความคิดเริ่มคิดไปแล้วแล้วพอรู้แล้วก็คิดต่อไปวันนี้ต้องไปทำนู่นทานี่ก็ต้องลุกขึ้นแล้วต้องลุกขึ้นไปอาบน้าอาบทาเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัว มันก็คิดไปเรื่อยแล้วก็มีเหตุการณ์มาให้คิดไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงเวลากลับมาบ้านนอนหลับถึงจะหยุดคิดไปได้บางทีก็ไม่ก็ไม่หยุดเวลานอนหลับไปก็ฝันต่อไปก็คิดอยู่นั้นแต่ฝันนี่มันจะไม่ได้เป็นการทากรรมมันจะเป็นผลของกรรมมากกว่าเวลานอนหลับเนียเวลาเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับรับผลของกรรมที่เราทา ถ้าเราฝันดีก็ได้รับผลของบุญของความดีที่เราทำถ้าเราฝันร้ายก็จะได้รับผลของของบาปที่เราทำมาดังนั้นเราต้องมีสติสตินี้จำเป็นในทุกกรณีถ้ามีสติแล้วมันก็จะสามารถควบคุมความคิดการพูดการกระทาของเราได้ถ้าเรารู้ว่ามันกำลังไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ เช่นพอคิดอยากจะไปดื่มสุราเราก็ดึงกลับมาใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือใช้การสวดนมนต์ไปก็ได้หรือคิดไปในทางปัญญาก็ได้ว่าการดื่มสุรานี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายต่อจิตใจต่อทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ต่อสถานภาพการทำงานของเราถ้าดื่มสุรามากก็ไม่สามารถไปทำงานได้ถ้าขาดงานบ่อยๆก็ตกงานได้เลือมมากๆร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจากพิษของสุราเวลาดื่มก็ปัสศจกสติที่จะควบคุมการคิดการพูดการกระทำก็อาจจะไปทำสิ่งที่เสียหายกิดโทษตามมาได้ให้คิดทางปัญญา คิดแบบนี้มันก็จะทําให้ไม่อยากจะดื่มสุราได้ก็มีสองวิธีวิธีของสติหรือสมาธิก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องของการดื่มสุราพอคิดไม่คิดสักพักมันก็ลืมไปมันก็หายไปพอมันจะคิดอีกก็พุทโธใหม่ทํานี้สู้กับมันไปเรื่อย แล้วต่อไปพอเราไม่ทาตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะค่อยหมดกำลังไปแล้วเราก็จะไม่ไม่ติดโซลาเหมือนกับคนที่ไม่ติดโซลาคนอื่นที่เขาไม่ดื่มโซลาทำไมเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาไม่ไปคิดถึงมันเขาไม่เคยมีความอยากจะดื่มมันถ้าเรายังคิดเรายังมีความอยากอยู่เราก็ต้องฝืนเท่านั้นฝืนไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆคิดไปในทางปัญญาเรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะเลิกเดือมไปเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างความอยากทุกชนิดก็ก็จะหยุดได้ด้วยการคิดไปในทางปัญญาแล้วก็ฝืนไม่ทําตามมันถ้าทําตามมันก็เท่ากับต่ออายุของมันออกไปเรื่อยๆถ้าไม่ทําตามมันก็เท่ากับตัดอายุของมันให้สั้นลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหายไป คำถามข้อต่อไปเป็นคำถามจากทางข้อความนะครับจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับถ้าพระไม่รู้ไม่คิดว่าอาบัตทางโทรศัพท์แล้วเผลอทาไปแล้วรู้ชีหลังก็ไม่ทำอีกอาบัตไหมอาบัตหนักไหมแล้วแก้อาบัตได้ไหมต้องทำยังไงโดยที่เขาอธิบายว่าถ้าพระเปิดกล้องกับสีกา แล้วเห็นอวัยวะตอนปัสวะกับตอนแต่งตัวแต่พระไม่คิดว่าเป็นอาบัตเพราะเป็นแค่โทรศัพท์เปิดกล้องอยู่ไม่ได้มีโยมดูจริงๆอยากรู้ว่าอาบัตอะไรแล้วถ้าไม่แน่ใจจะปรับอาบัตอะไรเป็นแค่อาบัต อ, อนิจยะตะใช่เปล่าใช่หรือเปล่าเขาเขียนมาครับทำไปเพราะความไม่รู้จะเป็นอะไรไหมอาบัตไหม เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะขอโมนี้เวลาพระต้องอาบัตินี่บางทีท่านต้องตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพระที่รู้พระวิ น, นัยอย่างแท้จริงมาวิเคราะห์เหมือนกับขึ้นศาลถ้าทำมาบัตรทําผิดแล้วก็ต้องไปขึ้นศาลของพระพระจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งให้พิจารณา ว่าการกระทำนี้ถูกหรือผิดอย่างไรนี่เราไม่ค่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการาพิจารณาเรื่องโทษเหล่านี้เราก็เลยไม่ไม่รู้ว่าจะผิดจะถูกอย่างไรเพียงแต่ให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่ทำแล้วให้ใจเกิดกิเลสตัณหาเนี่ยมันผิดทั้งนั้นอย่าไปทามัน หมดแล้วเะถามเพิ่มเติมไหมครับก็ให้เราดูที่กิเลสตัณหาของเราก็พอถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันผิดทั้งนั้นน่ะอย่าไปทํามันมันจะทําให้เราต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมามากหรือน้อยพยายามตัด ก, กิเลสตัณหาให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆโดยเครื่องมือก็คือสติสมาธิและปัญญา ศีลนี้เป็นเพียงเหมือนกับรัว้วคอยกั้นไม่ให้มันออกไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่มันไม่สามารถป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาภายในใจได้มันยังคิดไปในทางที่ไม่ดีได้เพียงแต่ว่าถ้ามีศีลมันก็จะไม่กล้าไปทําตามความคิดที่ไม่ดีนั้นเช่นอยากจะดื่มสุราแต่ถือศีลว่าถือศีลห้าไม่ให้ดื่มสุรา ก็จะไม่ไปดื่มเพราะจะรักษาศีลแต่ไม่สามารถระ ง, งับความอยากดื่มสุราได้การอยากจะระ ง, งับความอยากดื่มสุราก็ต้องใช้สมาธิและปัญญาเป็นเครื่องมือเท่านั้นถึงจะสามารถเลิกได้อย่างท้าวรนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องศีลมากจนเกินไปให้กังวลกับเรื่องใจอย่างที่หลวงปู่ม่นบอกว่าท่านรักษาศีลข้อเดียว ท่านรักษาใจเพียงตัวเดียวถ้าใจไม่มีความโลภกดหลงไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีการละเมิดศีลไม่ว่าจะมีกี่แสนข้อก็จะไม่ละเมิดเพราะใจของท่านจะเป็นปกติใจของท่านไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่างกายจะอดอยากขาดแกนขนาดไหนก็ปล่อยให้มันตายได้ จะไม่ไปทําร้ายผู้อื่นจะไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตของตนเพราะใจไม่เดือดร้อนกับความอดอยากขาดแคลนของร่างกายใจนี้อิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาปรมังสุขขั้งตลอดเวลาในยุคแรกๆจึงไม่มีพระวินยัยยุคที่สมัยพระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาใหม่ๆผู้ที่มาบวชเป็นพระนี้เป็นพระอาลัยกันแล้วทั้งนั้น ยังไม่มีไม่มีศีลเลยแม้แต่ข้อเดียวพระวินัยไม่มีเลยแม้แต่ข้อเดียวจนต่อมามีคนเริ่มศึกเริ่มเริ่มมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเห็นบวนรในพระพุทธศาสนาแล้วมีคนเคารบนับถือยกย่องก็อยากจะบวชตามแต่บุคคลเหล่านี้ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติยังไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา พอมาบวชแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ควรจะทําก็มีคนเห็นแล้วก็มาฟ้องร้องพระพุทธเจ้าว่าเห็นพระรูปนี้ไปนอนกับศีกาคนนั้นสมมุติน่ะก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าก็เรียกพระรูปนั้นมาไต่สวนพอไต่สวนแล้วพอทราบว่าเป็นอย่างนั้นก็สั่งห้ามว่าเป็นพระไปร่วมหลับนอนกับศีการไม่ได้แต่คนที่ทํา นี้จะยกโทษให้เพราะว่ายัางไม่มีข้อห้ามแต่ถ้าใครทําต่อ น, นี้ไปถ้าทําแล้วก็จะต้องขาดจากการเป็นพระเลยศินก็เลยเพิ่มขึ้นมาทีละข้อสองข้อตามการประพฤติ ท, ที่ไม่ถูกของพระของผู้ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกนันก็เลยมีการทําผิดเพิ่มเติมบานเรื่อยๆทีละข้อสองข้อ มีคนไปฟ้องร้องก็ต้องมีการมาสอบสวนลอบสวนเสร็จก็มีการตัดสินตัดสินเสร็จก็มีการตั้งกฎข้อห้ามขึ้นมาจากข้อหนึ่งก็เป็นสองจนกระทั่งถึงสองร้อยิบเจ็้าพระพุทธเจ้ายังอยู่ถึงตอนนี้ก็อาจจะถึงสามพันสี่พันไปแล้วเพราะสมัยนี้ญาติโยามก็ถามกันบ่นกันเนยอะแหลือเกินเอ๊ะพระทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าพระทาอย่างนั้นได้หรือเปล่า นี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสินก็เลยไม่มีใครสามารถที่จะมาะตั้งกฎตั้งข้ออะไรได้เนื่องจากมีคำสอนแบบกลางๆที่สอนไว้ว่าไม่ควรบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติที่ไม่ได้ทรงบัญญัติไม่ควรยกเลิกสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแล้วก็เลยต้องรักษาแค่227ข้อนี้ไป <c oughs> ส่วนข้ออื่นก็ควรที่จะใช้าสามัญสำนึก <c oughs> ใช้ความเหตุผลพิจารณาไปว่าควรไม่ควรถ้าท่านก็มีสอนไว้เหมือนกันว่าถ้าการกระทําเป็นการที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศาสนาทําให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาไม่เกิดศรัทธาหรือทําให้ผู้ที่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาการกระทําเหล่านั้นก็ไม่ควรจะกระทํา การกระทำอันไดที่ทำแล้วทำให้ผู้ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาทำให้ผู้ที่มีศรัทธาแล้วยิ่งมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นการกระทำเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นกา ร, ก, ารกระทำที่ถูกต้องท่านก็มีสอนไว้หลายข้อด้วยกันเพื่อที่จะหนึ่งบางทีก็ไม่อยากจะให้ลบล้างคาสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติไว้เดี๋ยวมาลบล้างกันแทนนี่สองรอยเจ็ด้จะเหลือแค่สี่ข้อนะ ถ้าบัญญัติขึ้นมาก็บางทีก็อาจจะบัญญัติโดยไม่มีเหตุผลรอบครอบก็อาจจะทำให้มันยุ่งยากวุ่นวายจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยก <c oughs> ็ดีไปอย่างก็เลยเอาแค่สองรอยิบเจ็แล้วก็ให้ถือหลักว่าการกระทำใดที่ทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธา <c oughs> เกิดศรัทธาขึ้นมา <c oughs> ผู้ที่มีศรัทธาแล้วมีความศรัทธาเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าการกระทาแบบนั้นใช้ได้ก็แล้วกัน